กำลทํทำต่อกันอีกอย่จ่ำกันลำดับลำนำท่งจำเันคืนล่วงไปล่วงไปแบบนี้เราทำอะไรอยู่รังเจท้านำ้าไม่ยั่งยืน จงมีสติไปในกายตูกเอาไว้ฝังเอาไว้เหมือนเผือกเหมือนมันอยู่ในดินถ้าเผือกถ้ามันหัวเผือกหัวมันหรือต้นไม้อยู่ในดินมีรากบักลงมันดินต้นไม้ก็จะเริญเติบโตไปเรื่อยๆ เปือกมันที่มันอยู่ในดินก็ใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆชีวิตของเราก็เช่นกันถ้ามีสติไปในกายไปในใจก็เกิดมากเกิดผลจะได้พ้นจากบาปอกุศล ถ้าไม่มีสติไปในกายไปในใจหงืในในใแห้งเปิดบาบเกิดผลแห้งแรงเหี่ยวแห้งไ ป, ไปมรรคผลเหี่ยวแห้งไปเหมือนต้นไม้ไม่อยู่ในดินต้วันจะเหี่ยวเฉาตายไ ป, ไปในที่สุดชีวิตเราต้องเป็นมรรคเป็นผลศาสานี่เป็นศาสาแห่งมรรค ไม่ใช่เรื่องบุญธรรมดาศาสนาไหนก็สอนเรื่องบุญแต่ศาสนาพุทธศาสนาสำนาโคดมนี้สอนเรื่องมรรคเรื่องผลที่สุดแห่งชีวิตน่าจะฐานแห่งชีวิตจึงเพื่อการนี้โดยตรง ผู้ที่เห็นภัยแห่งการเหี่ยวแห้งแห่งวัคผลยงเพียนพยายามเรียกว่าบรรปลายิตผู้เห็นภัยแต่ใครก็ตามเห็นภัยเรียกว่าผู้นั้นเป็นบนรรปลายิตภัยของเราคือเกิดเกยเจ็บตายยอมเจ่เท่านำเข้าอมอยั่งยืนย่อมพัดพาจากของเล่าของชอบใจทั้งนั้น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 เหมือนน้ำแข็งกลขี้แกบนับวันจะเสื่อมไปเรื่อยๆชีวิตของเราต้องมีหลักมีสติไปในกายไปในจิตก็จะเห็นนักเห็นผ ล, ผลเห็นกาย<ป>ตามความเป็นจริ ง, เ, รงเห็นจิตใจตามความเป็นจริง เ, เห็นบ่อยๆเป็นรูปทำเป็นนามทำสิ่งที่เกิดขึ้นกับรูปเป็นอาการสิ่งที่เกิดขึ้นกับนามเป็นอาการอาการต่างๆก็มีเหตุเกิดขึ้นหูของได้ยินเสียงก็มีเสียงเกิดขึ้นถ้าไม่มีชานาญเรื่นี้ก็จะหลงพัดไปในเสียงเป็น วัตถุต่อวัตถุสัมผัสกันเข้ากังเหียการเกิดขึ้นถ้าไม่มีสติก็มีสมมุติบัญยัตบัญยัตลงไปไม่จบได้หู้ทยินเสียงเราไปไกลเป็นนะรกเป็นเปรต เ, เ, เป็นสุรกายก็ได้ทาะ เกิดจากเสียงเกิดจากรูปเกิดจากกลิ่นเกิดจากรสท่นมีรสชาติโลกนี่มันมีรสชาติตากับรูปก็มีรสชาติหูกับเสียงก็มีรสชาติจมูกกับกลิ่นก็มีรสชาติต่อถึงใจมีอารมณ์ก็มีรสชาติสัตว์โลกย่อติดรสชาติเหมือนปลาติดเบ็ด ก็เป็นทุกข์เป็นโทษความทุกข์ก็ติดได้ความโกรธก็ติดได้สัตว์โลกเนี่ยความทุกข์นอนอยู่กับชีวิตข้ามวันข้ามคืนไม่รู้จักปลดปล่อ ย, อยเพราะไม่รู้ทางจนโตความทุกข์จนโตความโกรธจนโตความหลงไม่เป็นิสชนะชีวิตเราต้องนิสชนะชีวิตไม่มีภยัย อันนียเราจะมาดูให้เกิดมา่เกิดผลนักคือดูเห็นดูแล้วก็ต้องเห็นเห็นแล้วก็ไม่เป็นจบไปแล้วเห็นสุขไม่เป็นผู้สุขจบไปแล้วไม่ไปไกลตามออกเอง ไม่มีใครช่วยเราถ้าเราผิดตรงนี้ก็พลาดไปสิแล้วไปหวังให้คนอื่นมาช่วยเช่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราบางคนเห็นหน้าลูกหน้าหลานสัน่งไล้ให้มันบวชถากูด้ว ย, วยทำบุญให้กูด้ว ย, วยนาแตกนี่ เ, นเงินก้อนนี่ เอาไว้เป็นเงินเบี้ยเผาผีเอาไว้ทำบุญเอาไว้เผาผีผาผจนตั้งจาปาัในจิตพู้ว่ายเป็นเดือนใหญ่ ห, หวังรวยเมื่อตายไปแล้วแต่เป็นๆอยู่ทำไมจึงไม่ทำเอา อาชีิตไปห้อยไ้เขียนวยอาศัยคลายไปผิดศีลอะไรข้อไหนจึงจะต้องเป็นให้ผู้คนอื่นทำบุญให้อุทิศให้มีแต่พวกปรเชตูปชีวีที่โลบุญจากคนอื่นพวกปรเชตูปชีวีนี่เป็นคนบาปเป็นคนไม่มีความสามารถ ที่ทำความดีได้อันหลงก็ปล่อยให้หลงอันโกรธปล่อยให้โกรธเพราะนี่มีฝังไปสูบและชตูปชีวีต้องเสวยวิบากรรมจนกวัวจะพ้นโทษพ้นภัยสมหาที่เกิดสมแหาบุญเพราะบาปกรรมของตนเองทมบาปแบงย่อมเศ้าหมองเอ่งจะต้องเป็นอย่างนั้นหรือต้องเสี่ยงงนั้นเลยชีวิตเราไม่สมกับควรเป็นมนุษย์ ให้เราชำนี้ชํนานาญเรื่องนี้ไม่ต้อง่าศัยใครมันหลงเองเปลี่ยนหลงเป็นรู้เองมันโกรธเปลี่ยนโกรธเป็นไม่โกรธเองมันทุกข์เปลี่ยนทุกข์เป็นไม่ทุกข์เองนี่พวกนี้ไม่เป็นไระชะตูปะชีวีแน่ขีดทางให้เราเส้นทางให้เราเดินไปได้มันหลงไม่หลงต้องกันข้าม ไม่ไปทางหลงไม่ไปทางทุกข์ไม่ไปทางโกรธไปคนละทางจนชำนาญในเช่นทางเป็นมากเป็นผลแต่เป็นปรัชิตัประชีวีเนี่ยนี่แสดงว่าไม่ไ ม, ไม่ไม่คุ้มค่าที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ษยเป็นสัตว์ประเสริฐต้องรอให้คนอื่นทาบุญทิฐให้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 มันก็ไม่สําเร็จความหลงไม่สําเร็จสักทียังหลงอยู่ความโกรกก็ไม่สําเร็จความทุกไม่สําเร็จนีกายก็ใช่กายไม่เป็นมีใจก็ใช่ใจไม่เป็นเอากายเอาใจไปห้อยไปแขวนไม้กับสุขกับทุกข์สุขทุกข์อันอื่นยื่นให้ลบรดกินเสียงสมผัสอารมณ์ มันเป็นโลกกรรทลาภยศสอนเสริญเห็นทาได้เสียชีวิตไม่ไปห้อยไปแขียนไว้อย่างนั้นน่ะมันก็มันก็ไม่ใช่ไม่ใช่ชีวิตชีวิตจริงๆมันไม่เป็นอะไรเอาอิสระนี่อิสระคือไม่เป็นอะไรเราจะเป็น ผู้ที่ทำความชั่วทําความดีไปมันเลยเอกหัวจากเดือนไม่เจี่ยวห้องโดยเดือนแล้วทำจะไหนการนตามที่สวดนแห่งกองทุกนี้จะปรากฏเช็ดเจราิานี้การของเราตามตามรอยอุยทิศแจ้พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทําอย่างไรจึงได้ชื่อว่าเป็นลูกเจ้า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 เสียงแต่หายใจเข้าก็รู้ได้กายเป็นวัสดุอุปกรณ์ผิดความรู้ <c oughs> ใจเป็นวัสดุอุปกรณ์ผิดความรู้ได้อย่าไปใช้ให้ผิดประเภทจะเอากายไปผิดความหลงไปผิดความทุกข์อย่าเอาใจไปผิดความหลงไปใช้ผิดความทุกข์กันโทษมันก็ผิดเราจึงไมาใช้ให้เกิดความรู้เนี่ย เหมือนมือห้านิ้วสิบนิ้วของเราสร้างปัจจัยสีให้เกิดขึ้นเพื่ออาศัยได้ีที่อยู่อาศัยในเครื่องนุ่งห่มมียาลักษาโลกอีอะไรอาหารการกินเราสร้างได้คิดของเราเดอ แต่ที่บาดใต้ให้ผลได้ตายของเรามาผิดความลูกขึ้นมาเป็นทรัพย์ภายในมาผิดทรัพย์ภายนอกก็มีได้ทรัพภายในไม่มีใครรับมรดกจากใครมาต้องทำเองส่วนตัวของขคยของมันดรวอวําทำบุญเอาทำดีเอา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 น้าขายเลย่ยมาทำบุญาะมันไม่สมควรเราต้องทำบุญเอาดีที่สุดอยากได้ดีก็ต้องทำดีอยากได้ดีไม่ทำดีมีอยู่มากดีแต่อยากห่างไม่ทำนะหน้าคามบเนาะอยากได้ดีต้องทำดีอย่าดีรอดีแต่ขอรอต่ดีทังก็ไม่ดี เราแต่ดีนู่นตายไปแล้วให้ลูกให้หลานทาบุญให้มันไม่ใช่ใทาบุญเอามันหลงรู้เอาแล้วได้รู้จากหลงแล้วมันโกรธรู้ได้โกรธได้ได้รู้จากโกรธแล้วมันทุกข์รู้ได้รู้จากทุกข์แล้วทาบุญแล้วดีกว่าความโกรธไม่ดีความไม่โกรธเป็นดีกว่า ความทุกข์มันไม่ดีความไม่ทุกข์มันดีกว่าเิงไหมเรื่องนี้ยจะมาเชื่ อ, เ, อเคยสัมผัสเอาเคยสัมผัสไหมหรือว่าโกรธพี่ๆหลงพี่ๆทุกพี่ๆไม่เคยสัมผัสควไปโกรธในขณะที่มันโกรธล้วก็ไม่เอาสักทีพาดไปเฉลแล้วพาดไปเฉลแล้ว ผมโกรธไปจิตฟีผมทุกข์ไปจิตฝีผมหลงไปจิตฟีน่าด้านที่สุดเลยไม่ค่อยเลือกเป็นเลือกไม่เป็นไม่สมกับความเป็นมนุษย์เนี่ยจะคิดจะจริงไงให้ให้ทำดูสัมผัส ด, ดูไม่สอนให้คิดไม่บอกให้คิด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 มีสติเป็นในกายจนเป็นอันเดียวกันนะ่ะความรู้นี่ชีวิตทั้งหมดเป็นความรู้สึกตัวไปทั้งหมดเลยทีเดียวไม่มีส่วนไหนที่อันอื่นเป็นอันอื่นไปถ้ามันเป็นแล้วปฏิบัติได้แล้วมันเป็นแล้วจะหายใจก็คือความรู้สึกตัว จะเกินํานร้ายจะพิบต์จะเคลื่อนจะไว้คือความรู้สึกตัวมันเป็นแล้วมันเป็นไปแล้วมันเป็นทั้งหมดแล้วชีวิตทั้งหมดเป็นมักเป็นผลแล้วที่แรกก็หลงเปลี่ยนหลงเป็นรู้ต่อไปไม่ต้องเปลี่ยนมันจะเป็นไปเองเีย่ว่าปริญญาชํานาน ยาตะปลิญญาลู้แล้วอัญญาสิอัญญาสิลู้แล้วอัญญาคือรู้แล้วอะไรที่ไม่ลู้ไม่มีในกายในใจเหล่านี้ไม่มีตรงไหนปิดบงงังงำแพงนั้นเกิดตรงไหนก็ลู่ทีนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นไปกับใจจะเป็นกิเลสพันนาต้นหาร้อยแปด ไม่มีตรงไหนที่มันปิดปังอภิภรราเรี ว, ว่ารู้แจ้งรู้แจ้งเรื่องนี้ที่เกิดที่เสียงต่างกิดขึกับกายกับใจนี่เรเรียกว่าวิปัสนาวิปัชนาคือรู้แจ้งไม่สงสัยเลยความหลงเป็นยังไงความไม่หลงไปยังไงความทุกข์ไปยังไงความไม่ทุกข์ไปยังไง ความโกรเป็นไงควไม่โกรธเป็นไงลูกแฉ่งจริงๆให้ลีโลทำลงไปดีแต่ขอโลอต่ดีมันไม่ได้ลอไม่ได้มันหลงก็รลูกทันทีหัดหัดอย่างนี้ถ้าหัดเป็นแล้วไม่ต้องหัดอีกมีแต่มกักมีแต่ผลชีวิตเหล่านี้ก็จบไปซะ ตื่นแตดึกฉิบแหนุ่มเซะอย่ารอให้เท่าให้แก่ให้เถิดพ่ออย่าลั่งหลอพายตะวันอย่าสายตลาดจะวายสายบัวจะเนา่าถ้ามันแกน่มันเท่ามันก็อะไรมันก็ยากเป็นคนในท่อมตนเป็นเป็นโตเพื่อนกอไปเมื่อเล็กแล้วน่อยอยังคิดได้ยัยสูงเพื่อนล้มกินหาง่ายเพื่อนลมต่ายห้ายาก หลานเดอ้อเราไม่มีพ่อมีพ่อใหญ่พิมพ์พ่อใหญ่พิมมันเป็นสนลูกสนหลานดีดีและแม่ตอนเย็นไว้ไหนที่ว่างๆก็ผันกรอกยาให้ไปให้พ่อใหญ่พิมสอนบางทีก็เล่นานิทานจวนกันปย อ, อยู่เนเหนือเกลืออยู่ขึนใต้หัวแขกข่อยู่ขึ้นคยย น, นหลานเลยพิกอยู่บ้านเค้นเหนือเขาเกลืออยู่บ้านใต้หัวแต่ข่ายอยู่บ้านคนอื่นมันไม่ดีต้องให้อยู่บ้านเราอยากได้บุนก็ไปเอากลือบุนอาจารย์ตอนนั้นอาจารย์ตอา น, นี้เรื่อพิกอยู่บ้านคนอื่นเคลืออยู่บ้านคนอื่นแต่ข่าย่บ้านคนอื่น อยู่ในเราทําไมไม่มีอาศัยอาจารย์นงองนั่นดีสํานักนั่นดีสํานักนี่ดีสํานักนั้นไม่ดีไอ้คนอื่นมีหรือให้คนอื่นดีหรือทําไมเรามาขี้มหาตัวเองเนี่ยเราคนหนึ่งลูกพ่อนี้แม่นี่เราคนหนึ่งจะต้องทําดีลองขี้ลงมาดูเชื่อมั่นใจดูเชื่อ แล้วก็ทําได้นี่ยสติเราก็มีได้นะไปหาบ้านใครอยู่ที่ไหนอาจารย์อัะไรอาจารย์อะไหนที่ไหนถ้าไม่สอนเรื่องกายเรื่องใจนะมันก็ไม่ใช่แล้วถ้าจะมีสอนกายสอนใจก็มีสติอันเดียวนี่เท่านี้ให้เห็นว่าไม่ใช่ตาแล้วสติมันเป็นตาในเป็นหน้าโลก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 จะบอกจัูเนี่ยขอใช้ชีวิตแบบนี้มันสนุกนะการบอกความเท็จความจริงใจผู้ใจคนนั้นมีชีวิตชีวาจริงจริงขิข้าวนละมือสองมือไม่ต้องการอะไรจะให้คนมาฟังอให้คนมาศึกษาเรื่องนี้จริงจอ่โอ้มัน มันด่วนที่สุดเราอยากจะบอกว่ามันหลงไม่หลงก็ได้เนี่ยมันโกรธไม่โกรธก็ได้มันทุกข์ไปทุกข์ก็ได้เนี่ยอยากจะบอกอย่างนี้จะเอาไปทำดูมันไม่ทำวันนีรุ่งนี่หรือเจ็บตายมันใจจะขาบจยเอาไปทำก็ได้เวลามันได้ดีมันไม่มาเวลานี่จยกจะไปอยู่ในห้อง ICU ไปเยี่ยมคนป่วยจะไปบอกตอนที่มันหายใจเร็วเรื่นั่น ไอ้บอกมาแล้วแล้วก็ช่วยได้บางทีนะแล้วเราจะรอวันนั้นนะ่ะโอ้ยมันเฉียงกันไปจะให้ไปสอนในห้องไอซียูมันจะได้หรืบางคนก็นสอนไม่ได้นะ่ะมีคนบอกมีคนให้ไปสอนแม่ให้ลูกสาวให้ไปสอนแม่ลูกเขยให้ไปสอนแม่เศรษฐีแถว บางเขนอ้าวสามเขนได้ไหที่มาวิทยลัยเสียนจดอะไรบางเขนหรือสามฮะนั่นแหะไอะ้ที่ขายดางรวยเงินเวนหลายร้อยล้านแล้วก็ใช้เงินแต่ปแต่ปะแม่ลูกสาวลูกเขยออกก็ไม่อยู่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 จะว่าก็มาเอาเงินไปเรื่อยว่าเที่ยวนี้สักสิบล้านก็เสร็จก็ให้ไปแต่ยังไม่เสร็จมาเอาไปอีกบ่นอยู่นอ่งอยู่บ่นอยู่เราไปสอนไปฟังเลยมิตเตอเรื่องนี่มาพูดบอกให้ว่าวางมือมาพิกมือดูสีให้พิกมือไม่รู้อะไรเล ย, เลยบอกให้พิกมือไปไปจับโอดท่ามาเอาก็ะตาหมาปบาง เอา จ, จับห้จับถ้บาบักปิดมือไม่รู้เลยทำไม่ได้เลย <laughs> มันเอาไม่ได้จริงๆบางทีนะเป็นเป็นอยู่นี่ยังเอาไม่ได้นะอะไรคือบุญไปทางั้นหรือบุญบุญคือทำให้มันไม่ทุกเนี่ยคำว่าทุกมันเป็นบาปไม่ทุกคือเป็นบุญไม่โกรธเป็นบุญถ้าโกรธ เ, เป็นบาปแต่ทุกเนี่มันเป็นยังไงถ้าโกรธเป็นยังไง ก็ไม่โกรธเป็นไงก็ไม่ทุกข์ไงุ่นเป็นบาปแต่เนี่ยแล้วจะไปเอาอะไรเองเอาอะไรมปนที่หวังเนะี่ะสร้างโอสถสร้างพระฐานใหญ่ๆอันนั้นหรือบุญอนะ่ะมันที่ก็ทุกขนะ์อ่ะบุญแล้วเดี๋ยวนี้บุญแล้วแตไใครก็ไม่เสื่อจักรตีไม่รู้ว่เป็นยังไงลูกสาวบอกว่ า, วานะอย่าไปเชื่อบางทีเขามาหลอกแม่ ก็ไม่เชื่อลูกสาวเอาเดี๋ยวนี้ก็อีกสักหน่อยก็เสร็จละเดี๋ยวเสร็จละเอาไปอีกสักหน่อย ล, ลูกเด้อเบิกกันมาให้ลูกสาวลูกเขยก็ก็ช่วยมาลเราสร้างวัดทรณตาอยู่ระยองแกลงอำเภอว่านจันทงศิลป์แล้วรอหลังหนึ่งกติหลังหนึ่งเแสนแส บอกว่าไม่ต้องทําก็ได้ไหมไม่ต้องทําก็ได้เออทำให้ ม, มามเฉยได้อยู่ฉบายสบายเราสร้างแล้วก็ไม่ได้ไปอยู่ออำเภอแกลงไม่ได้ไปอยู่เลยพอได้เฉยมีพระวัตรหนึ่งเขาจุกิ่มอยากได้มาสวยดี ก็เลยมาพาเจ้าภาพที่ถวายที่ให้มาหามาหาก็บอกผมอยากได้ถ้าอาจารย์ไม่สร้างดำเนินต่อไปผมจะขอสร้างมันจะดีมันเป็นวิวดีเป็นหลังเดินเขามองไปเห็นชายทะเลเห็นตำหนักผ้าชายด้วยเดี๋ยวนั้น ก็บ่ก็บอกโยมเจ้าภาพไม่พูดไม่จะนั่งน้ำตาซึมอยู่เอาเจ้าภาพที่ถวายที่ให้มาด้วยแต่ว่ดวัดเขาสุกเกมมาด้วยเจ้าวองจังหวัดมาด้วยเอาหลักฐานมาด้วย ก็เลยไม่ลู้จะพูดยังไงถามเจ้าภาพก็ไม่พูดจะคาจะให้ใครหลงตาก็หมดสภาพแล้วไม่สามารถที่จะสร้างให้เป็นวัดสำนักปฏิบัติธรรมสาขาหลวงพ่อเถียนได้ตามโภชงไม่มีโอกาสไปเลยไม่สาเร็จเพื่อให้เจ้าภาพได้สร้างตามโภ่งแล้วแต่เจ้าภาพจะคิดยังไงสาหรับหลวงพ่อในไม่ทำทำไม่ได้แล้ว มันมีหลายที่แต่อยู่แถวเนี้ยก็ตรงสามที่แล้วใช่ไหมโอ้โทองสุโตูมหาวันใช่ไหมวิแล้ว <laughs> ก็เลยไม่ได้มีโอกาสไปเอาอย่างนี้จะถามเจ้าภาพก็ไม่พูดก็เลยเอาโฉนดที่ดินมาเซ็นทั้งหลังนะว่าของอบโฉนดที่ดินคืนให้เจ้าของ ไม่สามารถที่สร้างวัดให้สาเร็จตามคโปรสงเจ้าภาพได้มาขึ้นไปงแลวแต่เจ้าภาพจะให้ใคร เ, เจ้าอินเทงวัดเจ้าคณะเจ้าอาวาสวัดเขาจริงก็ไม่พูดเลยเพราะเราพูดตัดไปหมดเลยถ้าเราจะไปให้ก็ไม่ถูกต้องเึีงขอสอบโฉนดที่ดิน ใบนี้ให้แจกเจ้าของคืนปไปาดแล้วมาอีกมาถามมาเป็นไงสร้างวัดสําเร็จหรื อ, อยังถามเจ้าของไ ม, ไ, มอ ไ, ไ, มไม่สำเร็จเลยพระไม่ดีเอาเช่นแล้วเล่าพะไม่ดีไม่สําเร็จเลยพระไม่ดีพร้อมจะเอาให้กันไปล้วก็เลยเดี๋ยวนี้มีใครเสนอให้ที่วัดทําไมไม่เอาแล้ว อาจารย์ต้อ่ว่าเชียงรายจะให้ทเที่ยอนะไรที่ไหนเอาอาจารย์ต้องถิเนยาวะไรนี่อะไรที่มันเป็นบุญไปโลนั้นบางทีแล้วไปสอนคนแก่นหนนั่งอยู่เป็นชั่วโมงไม่รู้เรื่องเลยมีแต่พูดเรื่องท้องถิ่ป่ามีพูดเรื่องประธานเอารูปภาพต่างๆมาให้ดูน่นโดยเป็นประธานที่น่นโตผ้า อะไรมามัดให้พลุงพลังกันหมดเลยพราะถ้าป่าเท่ากับฐินบุญะไรเฮียบุญให้มันรู้เนี่ยตัวรู้ภาวะที่รู้ดูแลกายใจให้มันดีเนี่ยจะให้ม่มีทุกข์ไมีโทษเกิดขึ้นจยางกายจากใจเราถ้าเราดูแลตัวเองปลอดภัยดีแล้วคนหนึ่งก็ปลอดภยัยแล้วก็มีหน้าที่ เป็นสัตว์สังคมมีพ่อมีแม่มีลกูกมีเมียมีพี่มีน้องมีงานมีการยิ่งเป็นหมอยิ่งเป็นพับนบา์นี่ที่ว่างานงานของพระงานบุญทำลงไปด้วยใจบริสุทธิ์ได้ใจบริสุทธิ์งานบุญเหมือนกันสนุก ใครก็ต่างมีหน้าที่ทุกคนอยู่ถ้าไม่ทําให้เป็นคนอื่นก็มาทําอยู่เนี่ยเพื่อเป็นคนอื่นเพืบอกคนอื่นอย่างนั้นเราต้องเริ่มตุ้นจากตัวเราสงบสักคนหนึ่งนะไม่มีปัญหาไม่บีเ่เบียนตนเองไม่บีเ่เบียนคนอื่นเนี่ยแน่นอนที่สุดไม่บีเ่เบียนตัวเองไม่บีเ่เบียนคนอื่นใน ชีวิตนี่ในชาตินี่จะมีชาติอีกกี่ชาติก็จะอยู่อย่างเนี้แล้วก็จะบอกคนเขาจะู่นถ้าตายไปแล้วไปอยู่นรกก็จะมีโอกาสสอนว่าสอนพวกสัตว์นโลกแบบเนี้ถ้าจะไปอยู่สวรรค์ก็จะสอนแบบเนี้จะอยู่ที่ไหนก็จะสอนถ้ามีคนนะถ้าสัตว์หรือฉานเนี่ยอาจจะสอนไม่ได้เพราะว่าไม่ใช่มนุษย์ มนุษย์เท่านั้นที่ที่รู้เรื่อนี้ได้ไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานยึดโฉมนุษย์สติปิริยาโผการเกิดเป็นมนุษย์การเกิดเป็นมนุษย์เป็นลาบเป็นระเฉิฐ น, น, น, นี่คือมันมีมรรคเป็นผลกานหลงเปลี่ยนหลงเป็นลู่เนี่ยมันเป็นมรรคเป็นผลแล้วจากหลงเป็นลู่แล้วผลแล้วจากโกรธเป็นไม่โกรธแล้วจากทุกข์เป็นไม่ทุกข์แล้ว ก้าวแรกต้องไปจากนี้ก่อนไอ้คุณเจ๊แจ้โซ่ตรงนี้กอนถ้าหลุดไปจากนี้ก็ไปเลยประีไม่มีดา่านกักแล้วไปเดินต้นก็มีหลักก า, ายานุปัฏนาสติปัฏฐานอะไรที่เกิด ก, กายหลักก็เฉลยไปได้กายสุขว่างกายไม่ใช่จัตุคุตัวตนเราเขาเอาพระพุทธเจ้าเฉลยไป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 หมายเลขตันไปอย่างนั้นเราไม่เชื่อเราไม่เคยไปแต่ตามไปก่อนตามหมายเลขไปก่อนสองชันจีเลยนะมีหมายเลขนะทั้งสองประเทศไทยเนยะถึงไหนถึงไหนแผนที่แผนที่ไปสู่มรรคสู่ผลอ่อนย่อนปัญนาสันติปัญฐานกายสังวากายไม่ใช่สัตุปคนัวตนโลกโ อะไรที่เกิดกับกายเอามาเป็นทัวเป็นตนไม่สุกทุกข์สุกทุกข์ไม่ได้สักว่าสักว่าเวทนาที่มันเป็นสุขทุกข์สักว่าอย่าเป็นเอามาสุขทุกข์จิตที่มันคิดก็อย่าไปเอาสุขเป็นทุกข์สักว่าจิตทำที่มันเกิดอะไรขึ้นมาความง่วงเหงาหอนเป็นกุศลเป็นอกุศลสักว่าธรรมไม่ใช่สัตว์ปุกลไปก่อนไปก่อนต่อไปเมื่อชำนาญจะได้เห็น เมื่อมันถึงแล้วมันจึงจะเห็นมีเล่าจึงเห็นเป็นเล่าจึงรู้เหมือนพวกเรามาสุกโตนี่แหละสุกโตรบรรยากาศแบบนี้แต่ก่อนยังไม่มาแต่ว่าโ่รลูกนะเอาเบอร์ จ, อจังค้อจังบัชัยผมมามาถึงเราจรึงรู้ว่าทีสุกโตรบรรยากาศสุกโตเป็นอย่างนี้ไม่ต้องไปคิดมันสัมผัสแล้ว สัมผัสอย่างนี้อยู่ที่ไหนก็ได้ปะเนี่ยอยู่ในโลกไหนก็ได้ถ้าสุกเขโตเขาอยู่ที่นี่นี่มันสัมผัสเห็น ม, มีเล่าจึงเห็นเป็นแล้วจึง ร, ร, งรู้แล้วอยู่ที่นี่แล้วมรรคผลที่พังก็เช่นกันศีลก็เหมือนกันมีศีลเราจึงรู้ว่าตัวยังมีศีล น, นะไม่ใช่ศีลธรรมาทานศีลธรรมาทานไปขอเอา อิมานีปัจจัจชิก้าปัฏฐานีสมาธิยามิอิมานีอัฏฐาชิก้าปัฏฐานีสมาธิยามีอิมานีทัสา ช, าชาะชะก้าปัฏฐานีสมาธิยามีสิ้นห้าสิ้นแปดสิสิบ ส, ส, สมาธิยามีสมาทานสิบข้อห้าข้อแปดข้ออันสินสมาทานแบบนั้นไม่จริงอันสิ้นจิขาสิ้นที่ไปสูมมติสุผลมีแล้วจึงเห็นเป็นแล้วจึงรู้ มีศีลแล้วจึงเห็นโอ้ยศีลรักษาเรามาแล้วสมาธิช่วยเราปัญญาช่วยเรามาหลุดมาได้อะไรเป็นโทษให้เป็นทุกหรอกศีลมาช่วยหนักแน่นมีสติปัญญามาช่วยนี่เรียกว่าศีขานศนลิีขานไม่ต้องมาขอสร้างเอาแต่ให้มันรู้ไปแต่สัมผัสเา่ามันหลงรู้มันทุกรู้มันโกรู้มัน อะไรต่างๆจากหลักสูตรเนี่ยกายสภาวะกายเวทนาสภาวะเวทนาจิตสภาวะจิตธรรมสภาวะธรรมหลุดไปเลยเมื่อหลุดไปแล้วยังเห็นโอ้มันหลุดมาแล้วตีแรกมีศินแล้วมีสติก็ละความชั่วแล้วมีสติก็ทําความดีแล้วมีสติก็เกิดกิตบริสุทธิ์แล้วมีสติก็เป็นศินแล้วมีสติก็เป็น จะมาทีแล้วมีสติก็เป็นปัญญาแล้วไปเป็นพวงเลยน้อยไม่ใช่ยากแต่ว่าลึกซึ้งไม่ใช่ลึกหลบลึกซึ้งจาจนานี่ังสอนของศาสตานลึกซึ้งสัมผัสได้เลยยิ้มในเวลามันยิ้มไม่ออกเวลาใดที่มันโกรธ มันทํามันเห็นเราลึกซึ้งเนี่ยโอ้ยหัวลอกความโกรธใช่นี่ก็โกรธหรื อ, อเราเนี่ยเป็นพ่อคนแม่คนแล้วเป็นผัวคนเป็นเมียคนแล้วใช่นี่ก็โกรธเราลยจะอยู่ด้วยกันได้หื อ, อช่เนี่ก็โกรธเบียองตาเห็นว่าหูได้ยินก็โกรธล้วไอ้อะไรเป็นใหญ่ไปให้เขาสัดไปอารมณ์มันเหมือนคลื่น มันคืนมันอยู่ในน้ําไม่ใช่น้ํามันเป็นคื น, นเพราะมั็นคืนเพราะอะไรเพราะมีลมมาพัดอย่าไปเอาคืนเป็นน้ําอารมณ์อย่า ม, มาเป็นใจความโกรธจะเป็นใจเป็นอารมณ์นั้นเป็นอาการที่เกิดขึ้นมันไม่มีแต่เดิมอยู่แล้วแต่มันยกขึ้นขึ้นมาเป็นควมโกรธความรักความเกลียดชังอย่าทําตามมันไม่เห็นมาสักแต่ว่าอย่างเนี้ย จะเย็นโบอ๋อไอ้เรื่อนั่งหงอหอจบจบท่นนี้เล